การท่อทิ้งซากศพอ่ะนะท่อทิ้งซากศพก็ท่อทิ้งกันมากจริงๆอ่ะนะบางทีนะทิ้งให้เราศพอยู่ธรรมดาก็ไม่ได้ต้องไปเผาเสก่อนนะนะค่อยทิ้งได้โ<ม>ดยบดย ท, ทวาาท่าชีวิตตินรียาสะอุปัชเฉโทความขาแห่งชีวิตอินทรีย์นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงว่าขึ้นชื่อว่าความตายของขันที่เนื่องด้วยอินทรีย์เท่านั้นมีอยู่ขึ้นชื่อว่าความตายของขันที่ไม่เนื่องด้วยอินรีย์หามีไม่ ขันที่ตายจริงต้องขันที่มีจักขุนซีที่มีโสตินซีมีคารินซีมีจิวหินซีมีกายญซีมีมะนินซีมีอิฐหินซีปุริสินซีเนี่ยมีชีวิตตินซีขันเหล่านี้ที่แตกทําลายเรียกว่าเรียกว่าตายถ้าขันที่ไม่ไม่ใช่อินรียก็ไม่เรียกว่าตายอะไรขึ้นชื่อว่าความตายของขันที่เนื่องด้วยอินรีย์เท่านั้นนะที่ประสงค์เอาที่นี้ แต่คำว่าข้าวกล้าตายต้นไม้ตายนี้เป็นเพียงโวหารเท่านั้นแต่เมื่อว่าโดยอัฏฐะแล้วคำพูดเช่นนี้ย่อมแสดงถึงความที่สรพรพสิ่งทั้งหลายมีข้าวกล้าเป็นต้นเป็นของสิ้นไปเสื่อมไปนั่นเองอนนธรรมชาติของเขาซึ่งเขามีสภาพคือความสิ้นไปความเสื่อมไปตามธรรมชาติของเขาอะนะแต่ก็ไม่เรียกว่าตายโดยโดยความหมายในที่นี้คาว่าอีทางวุจติมรณงนี้เรียกว่ามรณะแม้ทั้งหมดนี้ ก็เราก็ให้เชื่อว่ามรณะนะจะโดยบัญญัติโดยปรมัตาทั้งหมดนั่นก็คือความตายเนี่ยนคือความตายวันนี้ใครคิดถึงความตายกี่ครั้งคุณโชคดีคิดกี่ครั้งลนะโอ้ยอยู่อีกนานโครงการยาว <c oughs> อ๋อก็ดีนะคิดซะบังก็ยังดีวันหนึ่งหนึ่งครั้งตอนฟังทำก็ยังดีอนะ เตืนนอนกบ ก, ก่อนเข้านอนเหลืออีกวันหนึ่งหมดไปอีกวันหนึ่งนะแต่ว่าไอ้ตัวเลขที่เหลือนี่ไม่แน่นอนเลยไอ้ที่แน่นนๆคือหมดนี่หมดแน่แต่ที่เหลือนี่ไม่รู้เลยนะโดยที่ไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่ครูรู้เลยใช่ไหมเหลือเท่าไหร่ไม่ทราบนะไ ม, บนะไม่เกินสองพันวันอะนะ ดูวันที่สองพันจะเป็นยังไงนะลดไปเรื่อยๆนะส่วนความตายเนี่ยนะถ้าแบ่งไปแล้วมีสามประเภทคือคณิกะมรณะสมุติมรณะและสมุเฉทมรณะเนี่ยนะบรรณามรณะเหล่านั้นความแตกแห่งรูปธปรรมและอรูปธรรมในประวัติการชื่อว่าคณิกะมรณะมันก็อุปาทิฏฐิท้ทางข้าง น, นะมันก็แตกทาลายไปโดยธรรมชาติของมัน ความตายนี้ที่เรียกว่าติดสะตายปุดสะตายเป็นต้นนี้ชื่อว่าสมมุติมรณะปะชมเชยตายลุ่งรอดตายทั้งหลายแหละนี่เรียกว่าสมมุติมรณะอันนี้สมมุติของของท่านนะสมมุติของพระอริยนะคือคื อ, ค, อความจริงของของเราทั้งหลายเลยแหละการทํากาละของพระขี่นาศพไม่มีปฏิสนธิอีกต่อไปนี้ชื่อว่าส ม, มุติเชทธรมรณะ อย่างพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยชีวิตตินรีย์ของท่านแตกทําลายไปหลังจากนั้นไม่มีช main ีวิตตินทรีย์อะไรอีก yes. ไม่มีการสืบต่ออีกต่อไปเนี่ยนะไม่ต <uh ้องมาแบกทุกข์อ um, ีกแล้วเนี่ยนะมาต้องมาแบกภาระอีกแล้วไม่ต้องมาแบกเวทนาจริงนะเราเราทั้งหลายเนี่ยแบกเวทนานะเราไปแสวงหาการเห็นเพื่อให้ได้เวทนาที่เราต้องการเนี่ยนะไปหาการได้ยินเพื่อให้แบกเวทนาที่เราต้องการไปหากลิ่นหาลิ้นเออไปหารสหาโพธิภะเพื่อจะได้ เวทนาที่เราปรารถนาและเวทนาอันนั้นก็บริหารยากมากนะครบริหารปีติง่ายไหมคุณมุญชูไ ม, ไม่ง่ายเลยนะกว่าจะทําให้เกิดก็ยากหมดก็เร็วนะฮะฉั้นกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะยิ่งบริหารยากกว่าทั่วทั่วไปอีกกว่ากุศลธรรมเหล่านั้นจะเกิดกุศลธรรมเหล่านั้นจะเกิดบริหารอย่างมากแต่ในคําสอนใน อริยสัจบพะในที่นี้เน้นไปที่สมมุติมรณะนะตายแบบสมมุติเนี่ยนะสมมุติของพระอริยะนะแต่เป็นความตายที่เป็นความจริงของสัตว์ทั้งหลายว่าเออตายจริงๆแม้คําว่าความตายเพราะความเกิดเป็นปัจจัยความตายด้วยความพยายามตายโดยหน้าที่ตายเพราะสิ้นอายุดังนี้ก็ชื่อว่าความตายโดยสมมุตินั่นเองแม้กระทั่งเทวดาตายพรหมตายมนุษย์ตายตายจากนรกเคลื่อนจากนรกอะไรทั้งหลายนะพวกนี้ก็เรียกว่าตายโดย สมมุติไม่ได้ตายอย่างแท้จริงอย่าลืมว่าพวกนี้ทำไมจึงเรียกว่าสมมุติไนงะเพราะมันตายแล้วเกิดอีกอะเพราะตายจเาุเกิดกับตายเนี่ยนะที่จุติปฏิสนธิเนี่ยไม่มีอะไรระหว่างขั้นเลยเป็นอนันตระปัจจัยจากตาเห็นไปได้ยินนะอย่างช้ากว่าจุติเร็วมากอาจจะจุดตายจากมนุษย์ปั๊บเป็นโอปปาติกาสักวันสองวันแล้วต่อในคันอีกอย่างนี้ก็ได้ที่เขาเรียกว่าเหมือนกับวิญญาณล่องลอย เมื่อวานสนทนากันว่าพวกเราทั้งหลายเนี่ยไปหาที่เกิดกันนะเขามีอยู่สองคำว่าภูตาวาสัมภเวสีวาพูดเนี่ยเป็นชื่อของพระอรหันต์ส่วนสัมภเวสีที่เรียวกว่าผูดแสวงหาที่เกิดหมายถึงปุตุชนและพระเสขะพวกนี้สแสวงหาที่เกิดนะของเราอะอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องพูดไปหาที่ตายหรอกไปหาที่เกิดนะไปหาที่เกิดต่อไปนะคุณน้องว่าไปหาที่ชอบที่ชอบนช เกิดตายกับเกิดเป็นของใกล้กันนะนะเพราะการเกิดเนี่ยไม่รู้จะเกิดเป็นอะไรพันสัตว์ทั้งหลายที่กลัวตายเนี่ยก็คือไม่มั่นใจว่าเกิดอีกมันจะเป็นอะไรไม่ไม่ค่อยแน่ใจเลยนะนื้อขาบุญตัวไหนก็ยังไม่พอจะปลื้มใจเลยนะก็หลายท่านศึกษาธรรมะ ก, ก็บ้างแล้วก็ค่อยเบาใจหน่อยนะถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรเลยเนี่ยนะ โอ้โหใครมาพูดกับเราเรื่องตายเนี่ยนะมันจะสัตรูกันตลอดชาติเลยแหละนะพยาบาทกันเลยนะคุณนภานะมาแช่งเราได้ยังไงอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ได้เลยนะมันพูดกับใครไม่ได้เลยคํานี้เหมือนวันเมื่อกี้เนี่ยสมธนาการกับคุณบุญชูไปว่าเนี่ยนะเออเนี่ยนะทุกคนเนี่ยไปหาที่ชราและมรณะนะถ้าพูดอย่างนี้เบาหน่อยหน่ยพูดเป็นไทยไทยตรงๆเล ย, เลยเหรือว่าไงนะไปแก่ไปเกิดใหม่เนี่ยนะ หอกตายไม่ได้รับไม่ได้โกรธจริงๆริเลยนะไม่ได้โกรธด้เด่นเลยนะคุยกันในวงเพื่อนฝูงถ้าเราคุยเรื่องนี้ขึ้นมาเฮ้ยมึงไม่มีอะไรจะพูดแล้วไงวะหมดเรื่องคุยแล้วเหรอเงียเงียบช่วขณะหนึ่งไงก็ คือเนื่องจากว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่สัตว์ไม่ค่อยคิดกันเมื่อไม่คิดอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะมันเป็นที่มาของความประมาทแต่ว่าในแวดวง บ, งบางอย่างนะในแวดวงพวกพยาบาทวิตกมากๆวิหิงสาวิตกมากๆก็จะพูดถึงเรื่องตายะในแวดวงบางคำนะบางคมเนี่ยพูดตายนี่เป็นว่าเล่นเลยแต่ไม่ใช่คนพูดนะแต่คนอื่น <c oughs> คนอื่นเนี่ยปิดไหม หมายถึงคนอื่นนีไม่ใช่เราพอไม่ใช่เราก็เลยแต่เป็นคำพูดแช่งอ่ะนะคำพูดในบางเวทวงเนี่ยพูดไปเนี่ยพูดคำตายบ่อยมากแต่หมายถึงคนอื่นทั้งนั้นเลยนะที่เป็นศัตรูเขาอ่ะนะพวกนั้นโทสะเ็าบอกว่าปัญญากับโทสะนี่มันใกล้กันนะเพราะทั้งคู่มันเพ่งโทษโทสะเพ่งโทษแต่ไม่เป็นจริงเพราะมันลักษณะเบียดเบียนแช่งให้ตายแต่ถ้าเป็นปัญญานั้น ปรารบสึงสภาพที่เป็นจริงว่าเออความจริงมันเป็นอย่างนี้คือเราต้องไม่ลืมนะว่าคิดถึงความแก่ความตายกับไม่คิดในเสียหายตรงไหนอันนี้ที่ที่เราจะต้องให้เห็นชัดนะถ้าเราคิดมันละลึกถึงความแก่กับความตายเป็นธรรมดานั่นแหละคือการเจริญตามเจริญอธิปัญญาในศาสนานีนนน้ก็วิปัสสนาก็คือการคิดถึงความแก่และความตายนั่นเอง มันจเจริญบ่อยๆเทอะนั้นนะแล้วก็จากพนจากความตายคิดถึงเรื่องความตายจนไม่ไม่ลื ม, มชารามรณะชารามรณะสัมูทัยชารามรณะนิโรธชารามรณะนิโรธถ้ า, าถขามินีปฏิปทาการที่เราพูดถึงชารามรณะเนี่ยนะจิตจะได้น้อมไปหาชารามรณะนิโรธจะได้จะดับชาราและมรณะสักทีหนึ่ง เมื่อไหรที่สุดแห่งทุกข์จะปรากฏชัดแก่เราได้เนี่ยนะแบกชราและมรณะอยู่อย่างนี้ตลอดมานานแล้วเนาะเมื่อไหร่นะจะได้พ้นชราและมรณะสถีเมื่อไหร่จะประสบบทอันไม่ชราและมรณะต่อไปหลายท่านบอกว่าโอ้พ่อหาบทเหล่านี้อยู่นะเป็นหมื่นกับก็ยังไม่พบภาษาที่บทเนี่ยพอบรรลุเป็นพระโสดาบันนี่อุทานอย่างนี้เลยเนี่ยบอกท่านสแสวงหาบทอันนี้ล่วงเลยมาหลายหมื่นกลับด้วยกัน มาตลอดอย่างชาติหลังเนี่ยก็สแสวงหาตามลทัทธิเดรัติทีต่างๆก็หาไม่พบเนี่ยนะนี่ของเราทั้งหลายก็พอรู้แนวทางใช่ไหมเพื่อความเป็นเพื่ออ ม, มะตะเนี่ยนะยต้องไม่ลืมนะชารามรณะชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรธชารามรณะนิโรธาคามินีปฏิปทาต้องมันและลึกถึงตรงนี้นะถ้าท่านนึก ถ, ถึงแต่แก่แต่ตายธรรมดาก็ดีไหมเฉ ย, ยๆก็ ดีไม่พอนะเพราะว่าไม่ได้ทํากิจที่ที่ควรทําโดยลักษณะพึ่งว่าจติลักษณะเนี่ยนะมีการเคลื่อนจากพบเป็นลักษณะนะเคลื่อนถ้าเคลื่อนจากวิบากกรรมมาชรูปนี้จะไปถือเอาอันไหนเนอภผ ก, การนี้จะเอาตุกกรรมตัวไหนให้ผลนําเกิดดีทํากรรมมาวิจิตมากเลยนะทั้งชีวิตนะเอานะถามว่ากายกรรมทํามาเท่าไหร่เนี่ย วจีกรรมเนี่ยเท่าไหรมโนกรรมเนี่ยเท่าไหร่เพราะเราทําทั้งกุศลอ ก, กุศลใช่ไหมแล้วในจํานวนที่นําเกิดครั้งแรกมีอันเดียวมีตัวเดียวนะไม่ใช่ว่าแหมเหมาเมาหมารวมรวมเอาไปเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่เอาเจตนาเดียวอะที่มันให้ผลเนี่ยนะถ้าของชาตินี้นะตัวที่นําเกิดหมายถึงขณะเดียวและขณะ ด, ดวงที่เจ็ดด้วยดวงที่เจ็ดด้วยนะแต่ถ้าเป็นถอยหลังสองถึงหกเนี่ยนะคนะนะัดเอาตัวไหนไปเกิดใหม่ดีเนะีนะ่ย อันนี้เรียกว่าตัดสินใจยากเหมือนกันนะเปรียบเหมือนว่าง่ายๆว่าเ อ, อ้เนี่ยถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้าเนี่ยนะว่เลือกแม่นี่ก็เลือกอยากเหมือนกันนะคือมันถึงตอนนี้แล้วนี่นะก็ก็ขนขวายที่จะที่จะฝึกน ะ, ะฝึกว่าให้ใ ห, ให้อารมณ์ไรก็แล้วแต่ผ่านเข้ามาให้เป็นไตจสิกขาให้ได้ถ้าหากว่าเราทําได้โดยเร็วพันนะฮะ โดยเร็วพันโดยรวดเร็วได้อย่างใจเรานี่นะฮะกอยังพอมีหวังบ้างก็ถ้าอธิศีลสิกศีขานี่นะหมั่นไปเจริญให้เยอะๆแต่ว่าที่อยากจะเสนอก็คืออธิจิตติกขากับอธิปัญญาศกขาคือการใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดเอาไว้กับทุกอารมณ์เนี่ยนะอันนี้ซึ่งน่าจะเจริญไม่ยากเจริญยากไหมแดงเจริญยากไหมคิดใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดเนี่ย มันจริงไม่ยากครับเมื่อวานนี้พวกผมสบายใจขึ้นเยอะนะเออยังมีอะไรที่ถ้าเราท่องไว้นะฮะในสลายยตนะเนี่ยถ้าเราท่องไว้ได้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นเครื่องช่วยเราเยอะเลยเ<ม>นี่ยนะเนี่ยอะรนี่นะอารมณ์หกภายนอกอารมณ์ภายในที่วัตถุอีกควิญญาณอีกค อ, อะไรเนี่ยน ะ, ะภาษาอีกคเวทนไนโกลเนี่ยถ้ท่องให้ได้หมุนไปหมุนมาเนี่ยนะครัมันจะช่วยเราเยอะเลย ก็เพราะพื้นฐานการไข้ครวนแบบนี้นะนี่คือยาตาปริญญานะถ้าหมั่นสาธยายลงมาในชีวิตที่เป็นจริงเพราะว่าพื้นฐานยาตาปริญญานั้นคือการไม่ใส่ใจโดยความเป็นเป็นคนเป็นสัตว์แต่ใส่ใจโดยความเป็นขันอายตนะธาตุนั่นเองอันถ้ามนาิการแยกแยะแต่ละทวารโดยความเป็นขันาธาตุอายตนะไว้บ่อยๆแล้วก็ในพบสามกำเนิดสี่เป็นต้นเนี่ยนะก็อันนั้นก็เป็นเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อ ต่อการละสมุทัยด้วยทีนี้ในบรรดาขันทั้งหลายเนี่ยนะที่เรียกว่าขนันขันเหล่านั้นมีอะไรเป็นเหตุใกล้ตามีอะไรเป็นเหตุใกล้มหาพูดหูมีอะไรเป็นเหตุใกล้มหาพูดสีเสียงกลิ่นรสทั้งหลายมีอะไรเป็นเหตุใกล้มหาพูดจมูกลิ้นกายหัตถะมีอะไรเป็นเหตุใกล้มหาพูดมหาพูดเป็นเหตุใกล้ของรู ป, ปรขันทุกชนิดถ้าไม่มีมหาพูดนั่รูปรขันเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีมหาพูด ่าษาธโรุปเกิดไม่ได้หัตถยรูปเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีภาษาธโรุปหัตถยรูปมโนวิญญาณเกิดไม่ได้เพราะนั้นมหาพูดนี่มันเป็นมหาผีจริงเป็นแผ่นดินนิ่ใหญ่จริงๆคุยกันว่าโอ้เนี่ยนะเรานั่งรถสองวันแล้วไม่ได้พ้นมหาพูดเลยนะนะไปเที่ยวเหยียบมหาพูดทั่วไปหมดเลยนะเราเนี่ยหนีแผ่นดินไปหนีไปไหนอ่เพราะมันเติมแผ่นดินไปเรื่อยๆ ไปเติมแผ่นดินไปเรื่อยไปเรื่อยนี่นี้ไม่พนน้นนะพยายามสายใจในความเป็นมหาพูดนี่ก็เบาเขาบอกว่าในบรรดากรรมฐานที่ยาบที่สุดนี่คือการกําหนดมหาพูดถ้าคิดเรื่องมหาพูดนะี่ยังคิดไม่ได้อีกอ๋หนักมากอันนี้หนักที่สุดแล้วล่ะนะกลับไปอ่านชาดกเถอไปไหว้พระาธาตุก็ได้นะจัดทัวร์หาไหว้พระาธาตุดีกว่า ที่บอกว่ามร ณ, ะ, มรณะเป็นทุกข์เนี่ยนะเป็นทุกข์ยังไงว่าแม้มรณะนี้ตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์แต่พระองค์ตรัสว่าชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งทุกข์เพราะเวทนามีในสริระแม้ที่เกิดที่สุดแห่งความตายจะเผ า, าสริระเหมือนคบญ่าติดไฟที่ถือไว้ทวนลมในเวลาที่นิมิตแห่งนรกเป็นต้นปรากฏโดยโทมานักอย่างรุนแรงเกิดขึ้นก็ ในพระไตรปิฎกเนี่ยนะพูดถึงสมัยที่ยูกยาไม่ได้แบบสมัยนี้เนี่ยนะอนาถาบินทิกะเล่าก่อนจะตายว่าท่านปวดหัวเนี่ยนะท่านปวดหัวเหมือนกับว่าคนเอาเชือกแล้วก็มาร้อยแล้วก็ขันชนะรัดบีรัดรัดรัดรัดรัดจำเรนี้ตอนปวดไมเกรนรัดแบบนั้นเนอะมันปวดแบบไหนเขาบอกว่ามันรัดเหมือนกับบอกบอกว่าเหมือนหัวรัดชนะรักเลยนะนะรัดมันปวดปวดแค่ระว่าแล้วบางทีมันวิงเวียนหรือประมาณว่างั้น ความร้อนในร่างกายเนี่ยเหมือนตัวเองถูกย่างตลอดเวลาเหมือนถูกย่างท้องเนี่ยมันปวดเหมือนกับเอามีดเนี่ยคว้านท้องอ่ะนะเหมือนเอามีดคมๆเนี่ยคว้านกวนท้องมันปวดไปหมดเลยเนยะก็มันผมจึงทนไม่ไหวเป็นไปไม่ไหวอย่างนั้นแม่ครูตอนป่วยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นนะวะที่น้ําตารินเลยไม่รอดแน่เนี่ยนะว่าง่ายไหปวดยังไงบ้างเอาคนมีประสบะการณ์ดีกว่า นึกนึกถึงอริยศาสตร์บ้างไหมตอนนั้นอ๋อดีแล้วดีแล้วนึกถึงขันธาตุอายตนะดีแล้วพยายามและเลือกบ่อยๆเถอะเนี่ยนะถ้าไม่ฝึกเจริญไม่พิจารณาเรื่องเหล่านี้บ่อยๆนะถ้าทุกเหล่านั้นมาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะอะไรจะเกิดขึ้นคนที่ตายเนี่ยแปลว่าคนที่ทนปวดไม่ไหว ก็เนะรีว่าส่วนใหญ่เขามีบอกว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวใช่ไหมเดี๋ยววันหลังหมอมายะบอกว่าไอ้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายเนี่เป็นยังไงนะเดี๋ยวถ้า บ, บันสุกเนี่ยนะจะให้หมอเล่าให้ฟัง่นะตายเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวอันนี้เป็นภาษาชาวโลกเขานะก็คงจะเจ็บปวดมอกเลยนะเจ็บปวดจนโทรศัพทมันกลุ่ม ร, มรุมเต็มที่เลยน ะ, ะตายเลยอยนะก็นะ ยายคนหนึ่งเนะี่ยเขาดูทีวีดูดูไปก็ตาค้างตาเหลือบส่งโรงพยาบาลก็ตายเลยมันก็โต้หน้าจอทีวีนี่ก็เกือบตายได้เหมือนกันนะนี่ก็ที่ไหนบ้างไม่ตายนะแม้กระทั่งอยู่บนรถยังก็ทุกแห่งเนี่ยนะมันพร้อมจะเป็นโลงให้เราได้ตลอดเลยนะถ้าถ้าคิดให้ดีๆเนะียทุกแห่งเนี่ยมันคือโรงมันกันหมดแต่ว่าสภาพมันจะเป็นแบบไหนใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยตู้เย็นใครจะคิดว่าไอ้โรงมันคือห้องเย็นแบบสมัยนี้ใช่ไหม ตู้เย็นเนี่ยทําไปแต่งไปแต่งมาเป็นเป็นโรงแล้วอ ม, มายังเคยคิดสมัยเด็กๆ เ, เลยนะสมัยที่โล่งไอประเภทนี้ยังไม่ออกเลยคิดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่นะทำไมเขาไม่ทําแบบโล่งแบบนี้นะเอาคนมาก็แช่แข็งไปเลยอย่างนเง้ยนะเราก็คิดภาษาเราสมัยเด็กๆกันนะเน้นตอนหลังเขามาก็อ่านหนังสือเออเขามีทำอย่างนั้นที่ประจวบแรกๆเลยนะตอนหลังก็ระบาดไปทั่วประเทศหมด <c oughs> ก็แสดงว่าคนคิดประเภทนี้อยู่เหมือนกันนะเขาเลยทํากันออกมา คือก่อนตายเนี่ยนะแต่ละคนแต่ละคนได้คงมีความเจ็บปวดมากๆเลยนะถ้าเราเก็บข้อมูลคนก่อนตายเนี่ยนกะูมผูชูเก็บข้อมูลไว้บ้างหรือเปล่าตอนนั้นเพราะว่าก่อนจะตายคนมีความรู้สึกยังไงนะสัมภาษณ์คนก่อนตายทั้งหลายแหละเนะี่ยนะส่วนใหญ่พูดไม่ได้แล้วนะนะแต่ก็แม่จันดีนี่ก็เขบอกว่าปวดมากๆเลยนะก็ต้องใช้ยาพิเศษกว่าธรรมดาในช่วยเอาไว้เพราะมันปวดมากก็ได้เออก็ดีว่า ปวดตอนนั้นก็ยังตั้งน้โมตสาพระกว่าโตได้กระแจ๋วละเพราะบางทีมันปวดมากนะโดยเฉพาะโรคบางอย่างกลุ่มโรคท้องแล้วโรคลำไส้ทั้งหลายเลยเนี่ยมันมันมันเป็นข้างในร่างกายเต็มที่เนี่ยนะมันไม่ใช่แบบเป็นแผลเป็นเหมือนสิวเนี่ยไม่ได้ปวดแค่นั้นเนี่ยมันปวดสุดหูหัวนี่มันปวดข้างในเหมือนกับปวดข้างในเข้ามาข้างนอกอนะคุณชูบอกว่าเนี่ยถ้ามันปวดกล้ามเนื้ออย่างพอบีบพอนวดมันรู้สึกปวดกระดูกอ่ะมันจะไปบีบไปนวดยังไงมันมันเหมือนว่าปวดลึกๆออกมาจากกระดูกเนี่ยนะ ก็บังกอนเล่าให้ฟังบอกหัวใจมันเหมือนต้นท่าจะหยุดเต้นอยู่เหมือนกันเหมือนกันนี่มันตาก็แล้วหูก็แล้วมันนี่มันจะลามไปถึงหัวใจแล้วนะเนี่ยนี่นะบอกว่อยู่ๆแล้วมันเกิดนึกอยากไม่อยากเต้นขึ้นมานะกึกขึ้นมาแล้วแม่แมแล้วก็เล่าว่ามันเคยมีบางคนด้วยนะฟุกหน้าพวงมาลัยด้วยแล้วก็เกิดใหม่เลยนั่งก็เอ๊ะมันลามได้ไปหมดเลยนะต้นเหตุแห่งความตายมีสา ร, รพันนะเนี่ย สาธุแม่มื่กี้อ่านหนังสือธรรมะยังได้ยินเสียงด น, นตรีอยู่ด้วยอะ่ะนอนอ่านพรไตอนอนอ่านหนังสือธรรมะข้างๆบสถฟังเพลงไปด้วยว้าวไปกาดมากทีนี้ต่อไปนะถ้าถ้าเปรียบเทียบแบบธรรมดาธรรมดานะถ้าแค่ความเจ็บปวดตายแล้วก็ เจ็ปวดตายเนี่ยก็ไม่น่าหนักใจนะแต่ไอ้ภาพก่อนจะตายนี่สิภาพก่อนจะตายมันคืออะไรเครียกว่าคตินิมิตเนี่ยนะเช่นนรกเป็นต้นปรากฏขึ้นมาเนี่ยนะไฟลุกท่วมไปหมดอันนี้นะถ้าร่างกายมันรู้สึกร้อนเนี่ยนะสิ่งที่เราจะนึกคืออะไรก็คือความไฟใช่ไหมถ้าร่างกายมันร้อนเต็มที่เราจะนึกถึงไฟง่ายอันนี้น่าคิดว่านั่นคือเครื่องหมายที่จะชนวนใกล้ๆต่อ น, นรกนะ ตอนนี้ออกมาจุดเทียนใหญ่เลยจะได้นึกถึงไฟปั๊บโอ้บูชาพระธาตุเยนะจ ะ, ะได้เปลี่ยนนนมิตได้พยายามจะเปลี่ยนนิมิตรนะบอกว่ า, าอ้าวไฟแล้วพลุบขึ้นมาเลยนะโอเจดี JD นั้นเราก็บูชาวไวนะ้เจดีนี้เราก็บูชาวไว้นะเปลี่ยนนิมิตเลยเกิดที่ดีเลยก็นี้ ก็เนี่ยนะถ้าจุดที่กุฏิน่ะต้องยกมาไว้ไกลๆหน่อยเพราะก็มีเผาโบสถ์ให้เห็นเรื่อยๆนะหนักใจมั้งแต่เราก็มาไหว้จุดที่เจดีย์นะนั่นปลอดภัยหน่อยที่ต้องไปไหว้พระธาตุมานะมองเห็นภาพพระธาตุได้บ่อยง่ายขึ้นมานันเดโดยเฉพาะพระเจดีย์นครปฐมพระปฐมเจดีย์โอติดตาเลยครับ เพราะว่าองค์ใหญ่มากแล้วสวยงามมากผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสไปกราบใหญ่เจเดนนีใ่ใหญ่มากนะพันธผู้ที่พบใหม่เนี่ยนะ ท, ที่น่าคิดเลยนะเช่นว่าคนตายโดยที่กระหายน้ำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะก่อนตายกระหายน้ำเนี่ยนะคิดดูว่าพบใหม่ควรจะเป็นที่ไหนถ้าถ้าถ้าตรึกให้ดีๆนะามาลองคิดดีๆเนี่ยนะนะซึ่งก็ไม่ใช่น้อยใช่หมคนไข้กระหายน้ำก่อนตายเนี่ยนะ มีเยอะไ้ยจางเกตคนไข้ก่อนตาอยากอยากกินน้ำมากถูกยาครอบงำไปหมดมก็โทษคนหนึ่ง น, นะก็อ่าายาของแม่พระเนี่ยนะ ก็เล่าว่าบอกโอ้มันปวดมากเลยนะก่อนจะตายเนี่ยมันเร่าร้อนไปทั้งร่างกายแล้วก็พอเวทนานั้นมันลดลงก็บอกว่ามีอะไรจะบอกยายก็บอกนะว่างั้นเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยไม่รอดแน่คือมันปวดมากเลยนะมันปวดจนเรียกว่ามันหมดสุดชีวิตจิตใจหมดแล้วแล้วก็มันเวทนานั้นมันระงับหน่อยหนึ่งแล้วก็จะให้แนะนําอะไรก็แนะนํานะตอนเนี้นะก็ให้แนะนําอะไรนะอระหังใช่ไหม แล้วก็จุติไปพีเ <c oughs> ่เคยผมเสียไปแล้วนยะจะเป็นมะเร็งแล้วก็ผ่าตัดเนี่ย่าตัดมะเร็งในหลอดลมเนี่ยนะตอนจะจะเสียคล้ายๆว่าแกลูกครานี้เนี่ยไม่หล่อนแน่นะผมว่าหลายคนที่รู้นะฮะคล้ายๆมันมีอะไรมาบอกนละก็ อ, อย่างป้าชมเชยก็พูดไว้ขันจะแตกแล้วใช่ไหมธาตุสีมันกำลังจะแตกนะใช่ไหมอาจารย์แดง ตาชมชยบอกผ่าสี่กําลังจะแตกใช่ไหมผ่าสี่กําลังจะแตกแล้วเหมือนอืนก็คือคือในภายในสรีระมันคงได้เวทนาเยอะนะมัจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดีกว่าเ<อ>พราะว่าตายมาจนทานานแล้วไงฮะใช่ไหมฮะนี่พี่เก๋ผมนี่นะฮะพอแกบอกแกรู้ว่าคราวนี้แกไม่รอดแน่นะแกก็เรียกพี่สาวผมแกเรียกหมูหมูเแกหมูหมูหมหม พุทโธนะทำโมนะสังโฆนะพุทโธทำโมสังโฆแกท่องเงี้ยนะฮะแกรู้แล้วแกสังเสียพรังยาแกลแลก้วก็แกก็ท่อจนตายไปเลยแค่นั้นนะครับพุทโธทำโมสังโฆเลยนะมหอ๋อมหาเก่านะอันนี้สองห้องมหาเก่าได้ผลกันนหมที่นน้ว่าที่นแน้ว่าต้องรู้อะไรบางอย่างเกิดเนื่องจากว่ามันมันคงไม่ไหวเลยนะก็คือคือภายในร่างกายเนี่ยคง คงเยียวยาไม่ขึ้นแล้วนะถึ ง, งฟื้นมาก็ใช้งานอะไรการอะไรไม่ได้แนละ้วมันหมดสภาพเต็มที่แล้วนะมันเหมือนกับว่าไอ้เตโชธาตมันกำเริบเหมือนกับว่ามันไหมจนเกรียมภายในหมดแล้วนะี่ในความรู้สึกของเจ้าของอ่ะนะแต่ก็แต่ทุกคนก็ไม่พ้นอะไรนะก็รออีกหน่อยก็แล้วกันใจเย็นๆไว้เดี๋ยวจะได้ประสบพบปะกันทุกคนในะจเย็นๆไว้นะโยพ่อนั่นแหละเล่าให้ฟังไม่ได้ ถ้ากลุ่มอนาถาก็ยังพอเล่าให้ฟังได้บ้างอ่นะแต่ก็มีในพระไต้ปีดกนะหลายคนนะถ้าใครอ่านเล่มเมืองราชครือกนี่ก็มีหลายคนเจอเมืองสาวัตถีก็กลุ่มอนาถาบินทิกาเนี่ก็หลายคนนะ <c oughs> นั้นคนที่น่าหนักใจมากคือนิมิต ท, ที่มันเกิดขึ้นก่อนจะตายเนี่ยนะว่าเนีอยนสาธุขอให้เปลี่ยนเถอะไอ้สําคัญมันไม่ค่อยยอมเปลี่ยนเนี่ยี่ยมันลําบากแล้วเพ้ออยู่นั่นแหละนี่เลยหนักใจมากมากเลย แล้วก็ถ้าคนที่เจริญกุศลเอาไว้มากๆเนี่ยนะอันนี้ก็ค่อยอยังชั่วนะใช่ไหม <c oughs> ถ้าคนที่ปฏิเสธธรรมะไว้ตลอดชีวิตเลยนะแล้วจะไปพูดธรรมะให้ก่อนตายเนี่ยมันเหมือนไปแช่งเลยนะท่าน <c oughs> ก็ฝึกฝนศึกษาธรรมะเอาไว้เยอะๆเธอเนี่ยนะ <c oughs> โดยเฉพาะอริยสัตวนะทบทวนเอาไว้บ่อยๆนะชาติพิทุค้าชราพิทุค้ามรณะปิทุครั้งสาทยายไว้อย่างนี้ให้มาก ๆ, ๆเธอเนี่ยนะโดยเฉพาะอริยสัตว์เป็นต้น โพดชองเป็นต้นเนี่ยมาสาธยายให้มากๆเพราะนั่นยังไงมันตายอยู่แล้วล่ะวิธีที่จะไม่ให้ตายเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ตายมีไหมในพระไตรปิฎกคาถาการตายนะไม่มีมีแต่ว่าตายทั้งหมดสัตว์ทั้งหลายตายแล้วด้วยสัตว์ทั้งหลายจักตายด้วยแต่ว่ามีอยู่คำหนึ่งว่าอะซัมมุลโโหกาลังกโรติคือไม่หลงตายเนี่ยนะตรงนี้ที่พระองค์เน้นมากไม่หลงตายอะซัมมุลโโหมูลหามแปลว่าลุ่มหลงไง อาสามก็คือไม่ลุ่มหลงกาลังกรโรติคือกระทำกาละโดยที่ไม่ลุ่มหลงเพราะละลึกถึงทานะกุศลระลึกถึงศีลกุศลละลึกถึงภาวนากุศลก็คือละลึกถึงกรรมที่ตนเคยทำไว้ในอดีตเนี่ยนะเคยไปทากรรมที่ไหนไบ้างหวังว่าคงทำแต่กรรมดีๆกันะนะเพื่อจะได้ลองหากรรมใดที่ทำแล้วประทับใจว่าจะเอากรรมตัวนี้แหละเป็นที่ตั้งแห่ง พบใหม่เนี่ยนะหาหากุศลเหล่านั้นพบหรือยังทาไมหาก็จเจริญไปจนกว่าเนี่ยนะมั่นใจว่าจะขอเกาะตรงนี้แหละหรือถ้าใครจเจริญพุทธคุณบอกจะไปกับพุทธคุณนี่แหละแต่จเจริญธรรมคุณจะขอไปกับธรรมะคุณจเจริญสังกคุณก็จะขอไปกับสังกคุณนี่แหละหรือว่ากรรมฐานตัวใดตัวหนึ่งหรือสิกขาใดสิกขาหนึ่งเอาให้มั่นเลยนะให้ไปกับสิ่งนั้นนี่ยนี่จะป้องกันอบายได้แต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะไปแย่งไปแย่งหมู่อบายทั้งหลายเนี่ยนะ โยมเขาชอบเอาไข่ปลาไปต้มให้ฉันมันเลือกหูไข่มันมากขนาดนี้นะสัตว์มันเท่าไหร่เจ้าของสัตว์ที่ที่เคยอยู่ในไข่นะันน่นะเท่าไหร่นอเนี่ยแล้วก็จึงว่าสัตว์น้ามากกว่าสัตว์บกเลยไม่แปลกใจนะว่ามันมากจริงๆริงมันถ้ามีน้ำเป็นอารมณ์แหละนะหวังว่าทําบุญด้วยน้ำเอาไว้เยอะนะ <c oughs> ไปทาบุญไว้ด้วยน้ำนัานที่น่าหนักใจมากคือพวกนิมิต เนี่ยนะทั้งที่เป็นเช่นกรร ม, มนิมิตเครื่องมือทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเครื่องมือไหนที่เราทําอาคุศลไว้บ้างอาศัยเครื่องมือนั้นๆ น, น, น, น, นะเช่นข้าวของเครื่องใช้อาศัยสิ่งนั้นทํากุศลหรืออาศัยสิ่งนั้นทําอาคุสนพันพิวัติวัตถุใดที่เราเคยอาศัยทําอาคุสนน้อมเอาวัตถุนั้นมาเจริญเป็นเป็นกุศลให้ได้บ่อยๆเนี่ยนะทำกุศลในส่วนนั้นเอาไว้ให้มากๆจะได้นึกแล้วสบายใจอันนี้อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่เราระลึกถึงเนี่ยนะก็พยายามระลึกถึงส่วนที่มันเป็นความดีแต่ที่จะให้แนะนําดีที่สุดก็คือการระลึกถึงพระรัตนตรัยเนี่ยนะอันนั้นหลจะเป็นปัจจัยเพื่อพ้นจากความตายุทจก็ก็ก็คิดเอาว่าตอนนั้นจดอะไรอยู่ล่ะ ไม่แน่นะเพราะว่ามันมีนักเรียนบางคนมานั่งวาดการ์ตูนอยู่เป็นเรื่องๆเลยนะตอนฟังธรรมเนี่ยก็เลยเอะชักมาค่อยแน่ใจแล้วนะหรืออีกอย่างหนึ่งที่น่าคิดนะก็คือบางทีเนี่ยนะมันทนความพลาดพลาดจากของอันเป็นที่รักที่ชอบใจไม่ไหวใช่ไหมกําลังมั่งมีสีสุกกาลังได้วัตถุ ก, การมเพียรพร้อมเต็มที่จะตาจากแล้วเนี่ยนะโอ้เรห้อยหาถึงสิ่งนั้นนะทวานตาก็หน้าปรารถนาะทวานหูก็น่าพอใจนะ ลืมตาก็เห็นแต่ลูกแต่หลานไม่อยากจากไปเลยเนี่ยนะอยากอยู่ด้วยกันนี่นานๆเนี่ยนะอันนี้ก็ระวังเนอะพบใหม่นะนะเห็นบ้านก็อุย้ยกว่าจะสร้างเสร็จชีวิตทั้งชีวิตทุ่มให้บ้านหลังนี้ทั้งหมดเลยนะนี่จะตายจากบ้านหลังนี้แล้วเนะ้อเนี่ยนเะขาบอกเป็นผีเฝ้าบ้านนะเขาบอกว่าอย่าว่าไทยเลยนะบ้านของฝรั่งเนะี่ยบ้านของฝรั่งเนะี่ยที่เป็นผีเฝ้าบ้านไม่ใช่น้อยเนะี่ยคนที่เฝ้ายังกลัวเลยก็อบอกว่าผีหลอกมานะัน บ้านผีหลอกหรือบ้านพวกดาราภาพยนต์ที่สร้างไว้ใหญ่โตเนี่ยพวกนี้มันทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อให้บ้านใชตอนหลังก็บอกว่าบ้านนี้เฮี้ยนมากเหมือนกันนะฝรั่งยังพูดเลยฝรั่งก็ไม่ค่อยเชื่อผีเทายย่าไหร่แล้วใช่ไหมฝรั่งยังพูดถึงนี่ก็แสดงว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันผีเฮี้ยนมากนั้นก็ไม่ยอาไม่ใครไม่ใช้บ้านเราเลยนะกว่าจะกุตศลสร้างมาเนี่ยหรือไม่ก็อย่าลืมนัานาน่นในคาถาข้างล่างกล่าวถึงความเจ็บปวดทั้งหลายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ก็เจริญกุศลเอาไว้เยอะๆเถอะมันจะได้พ้นจากเจริญโดยเฉพาะอริยสัจเนี่ยนะก่อนตายเนี่ยพยายามคิดเรื่องอริยสัจเอาไว้ให้มากๆนั่นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใช่ไหมพระ อ, องค์สอนก็สอนอริยสัจมู่สาวกทั้งหลายก็พิจารณาอริยสัจก็พ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตายนั่นคือวิชาเรียนที่เราสอบผ่านหรือไม่นั่นนะจะเห็นอริยสัจหรือไม่ตรงนั้นเนี่ยนะก็หมดเวลา